และการเสื่อมโทรมทางมัญญาในเวลาเดียวกันก็เพื่อจะรักษาประชาชาติให้พ้นจากความปั่นป่วนและการเรียกร้องอิสรภาพโดยปราศจากขอบเขตซึ่งเป็นสาเหตุแห่งการสูญสิ้นวงตรบูลและสูญเสียเกียรติยศและศักดิ์ศรีโดยสรุปแล้วบทนี้ได้แก้ปัญหาสำคัญของสังคมอย่างหนึ่งนั่นก็คือปัญหาครอบครัวและสิ่งแวดล้อมที่เป็นอันตรายตลอดจนสิ่งจีดขวางทาง และปัญหาต่างๆที่จะนำไปสู่ความเสื่อมโศรและความหายนะในที่สุดนอกจากนี้ในบทนี้ยังประมวลไว้ด้วยการมีมัญญาตอันสูงส่งเพราะความสำคัญและความประเสริฐของบทนี้ท่านอุมารอิทนีอะลคอตรอบพอลิฟาท่านที่สองจึงได้มีสารถึงชาวเมืองกูฟะในประเทศอิรักกล่าวว่าพวกท่านจงอบรมสั่งสอนบรรดาสตรีของพวกท่านด้วยบทอนันุร ชื่อของบทบทนี้มีชื่อว่าบทอนุรุษพระในบทนี้เป็นดวงประทีปแห่งอัลลอฮ์ท้งนี้ด้วยการตราบัญญตัติต่างๆเกี่ยวกับข้อบังคับและระเบียบต่างๆทางด้านมรญย่าตลอดจนความบีงามของมนุษย์ซึ่งนับได้ว่าเป็นบอกเกิดแห่งดวงประทีปของอัลลอฮ์ที่มีต่อพวงบ่าวของปรุงซึ่งเป็นความเมตตาปราณีอย่างเปี่ยมล้นของปรุง ขอพระองค์ทรงประทานแสงสว่างแก่ดวงใจของเราด้วยดวงพระทีพยแห่งคำภีของพระองค์ท่านด้วยเถิดโอพระผู้อภิบาลแห่งสากลโลกด้วยพระนามของลอผู้ทรงกรุณาผู้ทรงเมตตาเสมอ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 الزانية والزاني فجردوا كل واحد منهم ا مئة ج ل د ة ولا تأخذكم بهما ر ف ة في دين الله إن ك ن ت م تؤمنون بالله واليوم الآخر و ل ي ش ه د عذابهما ط ا ئ ف ة من المؤمنين หญิงละเมิดประเวณีและชายละเมิดประเวณีพวกเจ้าจงโบยแต่ละคนในสองคนนั้นคนละหนึ่งร้อยทีและอย่าให้ความสงสารยับยั้งการกระทำของพวกเจ้าต่อคนทั้งสองนั้นในบทบัญญัติของลอเป็นอันขาดหากพวกเจ้าศรัทธาต่อลอและวันประโลกและจงให้กลุ่มหนึ่งจากบรรดาผู้ศรัทธาเป็นพยานในการลงโทษของเขาทั้งสองนั้น ชายละเมิดประเวณีจะไม่สมรสกับใครนอกจากกับหญิงละเมิดประเวณีหรือหญิงบูชาเวิตและหญิงละเมิดประเวณีจะไม่มีใครสมรสกับเธอ นอกจากกับชายละเมิดประเวณีหรือชายบูชาเจวิและการกระทำเช่นนั้นเป็นที่ต้องห้ามแก่บรรดาผู้ศรัทธา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 นอกจากบรรดาผู้กลับตัวหลังจากนั้นและพวกเขาปรับปรุงตัวเองให้ดีขึ้นแท้จริงอัลลอฮ์นั้นเป็นผู้ทรงอภัยผู้ทรงเมตตาเสมอวัลลลดดดีนนยยมมมอจหะิ และบรรดาพวกกล่าวหาพัญญาของพวกเขาว่าละเมิดประเวณีและสำหรับพวกเขาไม่มีพยานนอกจากตัวของพวกเราเองเพ้าให้การเป็นพยานคนหนึ่งในพวกเขากล่าวสาบานสี่ครั้งด้วยพระนามของ Allah แท้จริงเขาเป็นคนหนึ่งในหมู่ผู้พูดจริงและครั้งที่ห้าพวกเขากล่าวว่าแท้จริงการสาบแช่งของ a l ล a h ประสบแก่เขา พววกกเเเขาามป็็นนนผผููู้้หหึ่่่งใลและวพวกเขาจะทำให้นางพ้นจากการลงโทษต่ตอเมื่อนางกล่าวสาบานสี่ครั้งด้วยพระนามของละลอว่าเขาเป็นหนึ่งในหมู่ผู้กล่าวเพ็้ และครั้งที่ห้าให้นางกล่าวว่าแท้จริงความเกรี้ยกลอมล้อจงประสบแก่นางหากเขาเป็นคนหนึ่งในหมูม่ผู้พูดจริง ولو ول لا تظل الله عليكم ورحمةه وأن الله تواب حسيم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 เอาล้อแก่พวกเจ้าและความเมตตาของพระองค์ทั้งในโลกนี้และในโลกหน้าแล้วแน่นอนการลงโทษอย่างมหานก็จะประสบแก่พวกเจ้าในสิ่งที่พวกเจ้ากำลังเพลินกันอยู่อดลลัววูบบบมมาะฮ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 เราทรงตักเตือนพวกเจ้าเพื่อไม่ให้กลับไปประพฤติเช่นนั้นอีกเป็นอันขาดหากพวกเจ้าเป็นผู้ศ ร, ร, รัทธาบยนุลลอฮุมุลอายาัตอัลลอฮฺอัลลอฮลฮฺอีลลอฮองลลอฮฺอัอลลออัลลอัลลออัลลอฮัลลอลลอัลลอฮฺอััอฮฺอัลลอฮฺออฮฺอั إِنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ أَنْ الْفَاحِشَتُ الَّذِينَ آمَنُوا لَهُمْ أَلِيمٌ لَهُمْ تَشِيعَ فِي عَذَابٌ عَذَابٌ وَالْآخِرَةِ وَاللَّهُ وَأَنْتُمْ فِي أَلِيمٌ يَعْلَمُ แถ้จริงบรรดาผู้ชอบที่จะให้เรื่องบัตรสีแพร่หลายไปในหมู่ผู้ศรัทธานั้น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 และแท้จริงอัลลอฮนั้นเป็นผูน้ทรงเอ็นดูผู้ทรงเมตตาเสมอยาอิยูฮัُผู้ที่อาเมนไม่ติดตามขั้วที่ชัยตันและผู้ที่ติดตามขั้วที่ชัยตันดังนั้นเขาจะสั่งให้ทำสิ่งที่ชั่ว ك َ ر ย َلَوْ لَا فَضْلُ اللَّهِ وَرَحْمَتُهُ โอบรรดาผู้สถทธาทั้งหลายพวกเจ้าจงอยาติดตามทางเดินของชซต์ตอดและผู้ใดติดตามทางเดินของชซต์ตอด แท้จริงมันจะใชใ้ทำเรื่องลามกและความชั่วและหากไม่ใช่ความโปรดปรานของอลัลลอฮ์แก่พวกเจ้าและความเมตตาของพระองค์แล้วก็จะไม่มีผู้บริสุทธิ์เลยในหมู่พวกเจ้าแต่ร้อนทรงให้ผู้ที่พระองค์ทรงประสงค์บริสุทธิ์และล้อนั้นเป็นผู้ทรงได้ยินผู้ทรงรอบรู้ ولا َلَا يَأْتَلِئُلُ الْفَضْلِ وَالسَّعَتِ لِلْقُرْبَى وَالْمَسَاكِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ يُؤْتُوءُ فِي مِنْكُمْ أَنْ َالْيَعْفُوَ وَالْيَصْفَحُوَ سَبِيلِ اللَّهِ และผู้มีเกียรตและผู้มั่งขั่งในหมู่พวกเจ้าจงอย่าได้สาบาน ที่จะไม่ให้ความช่วยเหลือแก่ญาติสลิทแก่คนยากจนและผู้ที่อดพยพในหนทางของอัลลอฮ์และพวกเขาจงอภัยและยกโทษให้แก่โทษเถิดพวกเจ้าไม่ชอบหรือที่อัลลอฮ์จะทรงอภาภัยให้แก่พวกเจ้าและอัลลอฮ์นั้นเป็นผู้ทรงอภาภัยผู้ทรงเมตตาเสมออินนัลเลบีนยาบูนัลมุฟซันนติลกาฟิลัติลมุมินัติลูอู <ś les>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 และสำหรับพวกเขาจะได้รับการลงโทษอย่างมหาวันที่ลิ้นของพวกเขาและมือของพวกเขาและเท้าของพวกเขาจะเป็นพยานปรับปรำพวกเขาตามที่พวกเขาได้กระทำไว้ย่อมาอิบิมวัสให้มุลลาหดีนั้มอลฮับ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 يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وسلموا ت حتى تستأنسوا وسلموا ت على أهلها ذلك خير لكم لعلكم تذكرون. أ و بندار بسطات تانغلاي.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 และร้นั้นทรงรู้ดียิ่งถึงสิ่งที่พวกเจ้าเปิดเผยและสิ่งที่พวกเจ้าปกปิดเอาไว้ก่ ل م ؤ م ن ي ن يغضو من ب ص ر ر من من ا ر ه م ويحفظ فروجهم ل م ؤ م ن ي ن يغضو من ب ص ر ر من من ا ب ص ر ه م ويحفظ فروجهم ذلك ك ه م ن الله خبير بما ي ع و ن องกล่าวเถอ ม, มูฮัมมัด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 ويحفظن خروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها و َ ل ي ض ر ب ن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهم أو آبائهم أو آباء بعولتهم أو آباء بعولتهم أو أبنائهم أو أبناء بعولتهم أو أبناء بعولتهم أو إخوانهم أو بني إخوانهم أو بني أخواتهم أو بني أخواتهن، أو نسائهن، أو ما ملكت أيمالهن، أو التابعين، أو التابعين غير أ و للإربة ي ا من ا ل د ج ا ل أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء. ما ما ل ل และมูัมหมัดก้งกล่าวกับบรรดาผู้ศัทธาหญิงให้พวกเธอลดสายตาของพวกเธอลงต่ำและให้พวกเธอรักษาเอาวัยวะเพศของพวกเธอ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 เพื่อให้ผู้อื่นรู้ถึงสิ่งที่พวกเธอควรปกปิดจากเครื่องประดับของพวกเธอและพวกเจ้าจงขออภัยโทษ ต, ต่อลอเถิดโอบัลดาผู้ศรัทธาทั้งหลายเพื่อพวกเจ้าจะได้รับชัยชนะว่าอันกิฮุลอายามามินคุมวสซัลิฮีนมินอิบาดิคุมวะอิมาอิคุมอีย์ย์คูรุสุคราน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 واللي يستعف في الذين لا يجدون لك ح ا حتى يغنيهم الله من ق ض ل ه والذين يبتغون ا ل ك ت ا ب مما ملكت أيمانكم فكتبوهم ا إن علمتم فيهم خيرا و آ ت و ه م مما لله الذي أ ت ا ك م และบรรดาผู้ที่ยังไม่มีโอกาสแต่งงานก็จงให้เขาสงวนตัวจนกว่าอัลลอฮ์จะสรงให้พวกเขาร่ำรวยขึ้น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 م و م و และโดยแน่นอนเราได้ประทานองค์การต่างๆชัดแจ้งให้แก่พวกเจ้าแล้วและอุทาหรณจากบรรดาผูด้ได้ล่วงลับไปก่อนพวกเจ้าและข้อตักเตือนแก่บรรดาผูย้ยำเกรง مثل لوره كمشكش ا فيها مصباح المصباح في زجاجه الزجاجة كأنها كوكب دودي وقد من شجرة مباركة زيتونة ز ي ت و ن ة لا ش ف ق ي ة ولا غ ر ب ي ة ي كاد زيتها يضيء ولو لم تمسسنا ن و ر ع ل ى نور يهدي الله لنوره من يشاء.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 ในบรรดาบ้านหมายถึงมัสยิดอัลลอะ์ทรงอนุญาตให้เผืดพระเกียรติและให้พระนามของพระองค์ถูกรำลึกอยู่เสมอเพื่อที่จะแท่ซองสรุดีพระองค์ในนั้นทั้งในยามเช้าและยามพบค่ำ رجال لا تلهيهم تجارة ولا بين ع ْ ذكر الله لا تلهيهم تجارة ولا بين عن ذكر الله وإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. บรรดาชายที่การค้าและการขายไม่ได้ทำให้พวกเขาหันเหออกจากการดำลึกถึงอัลลอฮ์และการปฏิบัติละหมาดและการจ่ายสการเพราะพวกเขากลัวในวันทั่วใจและสายตาจะเลือดในวันนั้น <S <S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 والذين كفروا أ ع م ا ُ ه م كسراب بقيعت يحسبه الضمآن ما حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابا والله سريع الحساب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 أو ك ظ ُ ل م ا ت ٍ في بحرٍ لدجِي غ ق ش َ ه موجٌ من فوقه موجٌ من فوقه سحابٌ ظ ُ ل م ا ت ٌ بعضها فوق بعض إذا أخرج يده لم يكدرها وَمَن لَمْ يَجْعَلِ اللَّهُ لَهُ نُورًا فَمَا لَهُ مِنْ نُورٍ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 จะมีหนังดอกรึว่าแท้จริงตลอดนั้นพูดที่อยู่ในบรรดาชั้นฟ้าและผันดิน และนกที่กลางปีกอยู่ต่างก็แท้สองสดุดีพรงทั้งหมดนั้นต่างก็รู้การสวดขอพอรของพวกเขาและการแท้สองสดุดีของพวกเขาและอัลลอ์นั้นทรงรอบรู้สิ่งที่พวกเขากระทำและอำนาจอันเด็ดขาดแห่งบรรดาชั้นฟ้าและแผ่นดินนั้นเป็นสิทธิของอัลลอฮ และยังอัลลอฮ์เท่านั้นคือจุดหมายปลายทาง ألم تر أن الله يزجي سحب ثم يألف بينه ثم يجعله ركما ثم يجعله ركما فتر ا ل و د ق يخرج من خلاله وينزل من السماء من جبال เจ้าไม่ได้เห็นดอกหรือว่าแท้จริงอัลลอฮ์นั้นทรงให้เมฆลอยและทรงทำให้ประสานตัวกันและทรงทำให้รวมกันเป็นกลุ่มก้อน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 Allah ทรงให้กลางคืนและกลางวันหมุนเวียนกลับไปกลับมาแท้จริงในลนักษณะเช่นนั้นแน่นอนมันเป็นข้อเตือนสติแก่ผู้มีสายตา والله خلق كل دابة مما ف منهم من يمشي على ب ط ن ه ومنهم من يمشي على ر ج ل ي ن ومنهم من يمشي على أ ر ب ع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 อโลซงบังเกิดสิ่งที่โปร่งทรงประสงค์แท้จริงอโลนั้นทรงอนุภาพเหนือทุกสิ่ง ความจริงเราได้ประธานองค์การต่างๆอันชัดแจ้งลงมาและเอาล็อจะส่งชี้แนะแก่ผู้ที่พระองค์ทรงประสงค์ไปสู่ทางอันเพียงตรง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 และเมื่อพวกเขาถูกเรียกร้องไปสู่อัลลอฮ์และเราศูญของโปรเพื่อตัดสินระหว่างพวกเขาเมื่อนั้นฝ่ายหนึ่งจากพวกเขาก็พากันถินหลังให้วอุและหากว่าความจริงอยู่ข้างพวกเขาแล้วพวกเขาจะรีบมาหาเขามูฮัมหมัดอย่างนอกหนอ้อม ي ي ในหัวใจของพวกเขามีโรคกระนั้นหรือหรือว่าพวกเขาสงสัยหรือว่าพวกเขากลัวว่าอัลลอฮ์และรอศูนย์ของพระองค์จะลำเอียงออกจากพวกเขาหามิได้ พวกเขาเหล่านั้นเป็นผู lo ้อาธรรมต่างหากแท้จ <Eduardo> ร we ิงคำกล่าวของบรรดาผู้ศรัทธา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 แักเกลงกตัวและยังเกลงพระองค์แล้วชวนเหล่านี้คือผู้ที่ได้รับใช่ชนะว่าอักสมูบิลล้าฮิจัดอมานิฮิมละอินอมอร์ทหุมละยัขรุจคุณล่าตุกสิมว่าหัวทุมมารูฟะอินนัลล้าขบีรบิมาต่อมดู แล้วพวกเขาได้สาบานต่ออัลลอฮ์ด้วยการสาบานอย่างแข็งขันของพวกเขาว่าหากเจ้ามีคำสั่งแก่พวกเขาแน่นอนพวกเขาก็จอดไปจงกล่าวเถิด ม, มูมัดว่าพวกเจ้าอย่าสาบานเลยการเชื่อฟังของพวกเจ้านั้นเป็นที่รู้กันดีแท้จริงอัลลอฮ์นั้นทรงรอบรู้สิ่งที่พวกเจ้ากระทำ จงกล่าวเถิด <t> มุฮัมมัดว่าพวกเจ้าจงเชื่อฟังอัลลอ์และจงเชื่อฟังรอดูนหากพวกเจ้าพินหลังให้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 َاَقِيمُ وَآتُ الزَّكَاةَ และพวกเจ้าจงปฏิบ um so ัติละหมาดและบริจาคสะกาดและจงเชื่อฟังรอซูลเพื่อพวกเจ้าจะได้รับความเมตตา พวกเจ้ามุอาหมัดอยากคิดว่าบรรดาผู้ปฏิเสธศรัทธานั้นจะรอดพ้นไปจากทันดนินี้ได้และที่พมนักของพวกเขาคือไฟนรกและมันเป็นบ้านปลายที่ชั่วชายิง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 من قبل صلاة الفجر وحين تضعون تيابكم من الظهرة ي ومن بعد صلاة العشاء ثلاث عورات لكم ليس عليكم ولا عليهم جناح بعدهن ق و ا ف و َ عليكم بعضكم على بعض. อุบาดาห์ผู้ศรัทธาทั้งหลายจงให้บรรดาผู้ที่มือขวาของพวกเจ้าครอบครองและบรรดาผู้ที่เบิบรรลุศาสนภาวะในหมู่พวกเจ้าขออนุญาตพวกเจ้าสามเวลาคือกรอนเวลาละหมาดฟาชริรีและเวลาพวกเจ้าเจ้าเปลื้องผ้าในเวลากลางวัน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 و َ إ ِ ذ َ ا بَلَغَ الْأَطْفَالُ م ِ ن ْ ك ُ م ُ الْحُلُمَ ف َ ل ْ ي َ س ْ ت َ أ ْ ز ِ ن ُ و ك َ م َ ا س ْ ت َ أ ْ ذ َ ن َ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ كَذَالِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ لما เ, เด็กๆพวกเจ้าบรลุาศาสนภาวะก็จงให้พวกเขาอนุญาตเช่นเดียวกับบรรดาชนก่อนหน้าพวกเขาได้ขออนุญาต เช่นนั้นแหละเอาลอสทรงชี้แจงองค์การทั้งหลายของปรุงให้เป็นที่ชัดแจ้งแก่พวกเจ้าและลอสนั้นเป็นผู้ทรงรอบรู้ผู้ทรงปริชาญ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 และหาพวกานางงดเว้นเสียก็จะเป็นการดีแก่พวกานางแล้วล้อนั้นเป็นผู้ทรงได้ยินผู้ทรงรอบรู้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 فإذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنسكم تحية من عند الله تحية من عند الله مباركة طيبة كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تعقلون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 ก็จงสลามให้แก่ตัวของพวกเจ้าเองเป็นการคารวะอันจำเริ ญ, ญยิ่งจากอัลลอฮ์เช่นนั้นแหละอัลลอะ์ทรงชี้แจงองค์การทั้งหลายให้เป็นที่ชัดแจ้งแก่พวกเจ้าเพื่อพวกเจ้าจะได้เข้าใจอินนัมุมมินุน الذين آ م ن و ิ بالله ورسوله وإذا كانوا معه ع มริ م ر جامع وَإِذَا كَانُوا مَعَهُ عَلَى أَمْرِ جَامِعٍ لَمْ يَذْهَبُوا حَتَّى يَسْتَأْذِنُوهُ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَأْذِنُونَكَ أُولَئِكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ فَإِذَا سَتَأْذَنُكَ و لِبَعْضِ شَأْنِهِمْ فَأَذْلِمَ ّ ش ِ ئ ْ ئ َِ ه ُ م ْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمُ اللَّهَ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 لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم ب ع ض ا قد يعلم الله الذين يتسللون منكم ل و ا ذ ا فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم ف ت ن ة أو يصيبهم عذاب أليم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 ألا إن لله ما في السماوات والأرض قد يعلم ما أنتم عليه قد يعلم ما أنتم عليه ويوم يرجعون إليه ف ي ُ ن ب ِ ر ُ و ن بِمَا عَمِلُوا وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ เพิ่งรู้เถิดว่าแท้จริงสิ่งที่อยู่ในชั้นฟ้าทั้งหลายและแผ่นดินนั้นเป็นกรรมสิทธิ์ของอลัลลอฮ์แน่นอนอลัลลอฮ์ทรงรอบรู้สภาพที่เป็นอยู่ของพวกเจ้าและวันที่พวกเขาจะถูกนากลับไปยังพระองค์ดานั้นพระองค์จะทรงแจ้งแก่พวกเขาในสิ่งที่พวกเขาได้กระทำไว้และอลัลลอ์นั้นเป็นผู้ทรงรู้ทุกสิ่ง